พอ ถ, ถูกเบ็ดพอถูกเบ็ดก็ดินด้นดินด้นดิน้นดิ้นอยู่นั่นแหละอ่คนที่มีมไม่มีสมาธิเนี่ยจิตใจมันหิวกระหายอยู่ตลอดมันเต็มไปด้วยความหิวนะมันเป็นเสือหิวภายในใจเนี่ยมันหิวมันมีแต่ความต้องการมีแต่ความต้องการยิ่ง ต, ต้องการเท่าไหร่ยิ่งเดือดร้อนเท่านั้นยิ่งต้องการยิ่งเดือดร้อนยิ่งต้อ ง, องการยิ่งเดือดร้อนคนที่ต้องการมากเดือดร้อนมากๆมันจะฉลาดไหมไม่ฉลาดหรอกให้ความรู้ไปเท่าไหร่มันก็ไปใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาเดือดร้อนเกินไปเนี่ยนะ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 สมมติเราไหว้วพระเจดีย์เนี่ยนะแล้วระ ล, ลึกทุตคุณบ่อยๆเจริญสมาธิมากๆเวลาไหว้พระเจดีย์เนี่ยะจะรู้ว่าไม่ใช่จิตสงบทุกเจดีย์อะไรหรอกน ะ, นะหลายเจดีย์เนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ก็ได้แต่กราบๆไหว้ๆก้มๆเงยๆก็ดีกว่าอย่างอื่นนะก็ดีกว่าไปทําอย่างอื่นอ่ะแต่ว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะใจเราฟุ้งซ่านไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นตัวบันทอนเป็นตัวสร้างอันอเป็นตัวที่ทําอันตรายมากมันเป็นอันตรายภายในจริงๆ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 และไม่อยากให้ทำกำหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ไอคุณธรรมทั้งหลายที่ควรจะมีก็ไม่ควรขวายสแสวงหาเพราะมันป่วยทางใจพันยารักษาความป่วยไข้าทางใจก็คือตัวสมาธิเนี่ยนะสมาธิแต่คําว่าสมาธินี่ไม่ใช่สมาธิหัวตออย่างที่ว่าเนี่ยนะนิ่งเป็นหลับเลยไม่ใช่สมาธิอนันเนี่ยนะคําว่าสมาธิอะไรสมาธิที่เป็นเนคขมวิตกเนี่ยนะเป็นกุศลวิตก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 นะไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นฟ้าจะผ่าแด่จะออกอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่สนใจสักอย่างนิ่งอย่างเดียวเนี่ยนะอันนั้นก็ไม่ใช่สมาธิที่ประสงค์เอาณนะที่นี้สมาธิณนะที่นี้ก็คือไม่มีอะไรทําให้ใจหวั่นวายได้อ่านะเรียกว่าไม่ตกอยู่ใต้อํานาจของอารมณ์มีความมั่นคงอย่างเต็มที่สามารถที่จะรอบรู้เรียกว่าเหมือนกับว่าคนที่มีที่นั่งที่มันมั่นคงมากเนี่ยนะจนไม่มีอะไรทําให้หวั่นวายได้ คนที่มีสมาธิก็คือคนที่มีฐานที่มั่นคงจนไม่หวั่นไหวจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวเมื่อมีความมั่นคงอย่างนั้นปัญญาก็จะได้ทำกิจอย่างเต็มที่สามารถร่ครวนทำทั้งหลายตามเป็นจริงนะร่ครวนอริยสัจได้ตามเป็นจริงเพราะว่าสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นสมาธิที่เป็นเหตุใกล้แห่งปัญญาเนี่ยนะตัวที่กาหนดรู้เนี่ยนะ ทำที่ควรกําหนดรู้เอาอะไรไปกําหนดรู้ก็เอาปัญญาไปกําหนดรู้สิ่งที่ควรละเอาอะไรไปละปัญญาเนี่นแหละไปตัวไปละทำไมปัญญาไม่กําหนดรู้ทําไมปัญญาไม่ละก็เพราะว่าปัญญาขาดหิตใกล้ขาดตัดใจคือสมาธินั้นพระองค์จึงเน้นสมาธิสมัยพุทธกาลเนี่ยนะในสมาธิสูตรมียี่สิบกระสูตรในพระไตรปิฎกองบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเมื่อเธอเจริญสมาธิแล้ว เธอจักรู้เห็นตามความเป็นจริงนะในสมาธิสูตรนะมีหลายนิกายด้วยกันสังยุตตนิกายนี่มีหลายแห่งในขันธวรวรษเป็นต้นก็สั่งเลยบอกเธอต้องเจริญสมาธิเธอเมื่อเจอเจริญสมาธิแล้วจักรู้เห็นตามความเป็นจริงก็เป็นกลายเป็นว่าอัตถกถาทั่วไปท่านบอกว่านี่ไงท่านจึงบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญาปัญญามีสมาธิเป็น เหตุใกล้เนีน่ยนะปากพุทธพจน์นี้ว่าสมาหิโตยะถาภูตังประชานาติเมื่อมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงทั้นจึงไม่ควรดูถูกสมาธิแต่ว่าให้เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยเราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าที่เราจเจริญนี้เป็นสัมมาสมาธิานะกเ็เหตุผลหลายประการแต่ที่แน่ๆก็คือบอกว่าสมาธิใดที่ใกล้ต่อการพิจารณาอริยสัจ นั่นเป็นสมาธิที่ที่ถูกต้องนั่นเป็นสัมมาสมาธิแต่ถ้าสมาธิใดเป็นไปเพื่อความขี้เกียจอันนั่นเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยนะเขบอกว่า ส, สมาธิเนี่ยนะถ้าถ้ า, ถาไม่ดีจริงเนะี่ยถ้าเข้าใจไม่พอเนี่ยมันตกอยู่ในฝ่ายเกลียดค้านเนนะตกอยู่ในฝ่ายขี้เกียจไม่อยากทำอะไรอนะ่ะเขาบอกว่าโยมเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาอยากจะนั่งนิ่งๆนั่งเฉยๆมันสบายเนี่ยนะ มีความสุขจริงๆเลยเขาก็ไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นน่ะโดยเฉพาะเรียนธรรมะด้วยเขาไม่อยากเรียนเขาอยากจะนั่งสบายๆสบายจริงหรือเนี่ยนะะก็เหมือนกับว่าวันไหนสมมุตินะงานเต็มโต๊ะไปหมดเลยงานเต็มหน้าที่ไปหมดเนี่อยากจะอยู่บ้านเฉยๆจะได้สบายคิดหรือว่าถ้าไม่ทํางานเนี่ยนะถัดงานไปเรื่อยวันสองวันแล้วจะสบายจริงยังว่าสบายจริงไหมอันนั้นก็อนาคูลาสกัมมันตานะ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 แล้วก็กรรมฐานนั้นต้องเป็นกรรมฐานที่มีข้อมูลหลักฐานที่เราตรวจสอบได้เพราะว่าที่เราเจริญเนี่ยเป็นไปตามคําสอนอยู่หรือไม่เพราะว่าอย่างธรรมมังสรนังฆะฉามิปริยติธรรมอยู่แล้วท่านก็ตรวจสอบกับปริยัตเลยว่าเป็นไปตามปริยติไหมถ้าไม่เป็นไปตามปริยตเนี่ยนะ ใ, ใ, ใครที่บอกว่าปริยัตกับปฏิบัติคนละอย่าง ก, กันก็คนนั้นป่าประมิทไม่ใช่กาลยานมิทของเราเพราะฉะนั้นก็เท่าเลือกครบเลือกครบกันได้เลยว่างั้นไม่มีประโยชน์อะไร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 พันที่พึ่งของเราที่แท้จริงนัททิเมสารนังอัญยังพุโทโธเมธ ร, รมโมเมสังโคเมสารนังวรังเนี่ยนะมันก็มีอยู่เท่านั้นแหละคนอื่นถ้าเขาแนะนําเราต้องแนะนําให้เราไปรู้จักพระรัตนะตรายจึงจะเป็นกาลยานามิตรถ้าเขาบอกว่าเออเนี่ยสมาธิแบบชั้นเนี่ยดีมีวันก่อนไปเชียงรายโยมก็ไปคุยด้วยเขาไปที่วัดแห่งหนึ่งกลับมา เป็นไปหาพระรูปหนึ่งตำหนิปริยัติมากกตำหนิคำภีตำหนิคําสอนบอกอานยโยมไปเสียเวลาคุยทำไมอ่ะ น, นะต้อเสียเวลาคุยทําไมนี่มาเล่าให้มาฟังมาก็เสียเวลาฟังเองเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยไปเล่าแต่คําของเดรัจฉีไม่ใช่พุทธพจน์แม้แต่นิดเดียวว่างั้นนะคำของเดรัจฉีแต่ได้แฝงตัวอยู่ในพระศาสนาเท่านั้นเองเดีวนะเราจะไปเอาเป็นประมาณได้ยังไงเราต้องเอาคนที่เป็นสารณะของเราพระรัตนตรยเราแนะนําว่าอย่างไร ดังนั้นเราก็ต้องมีหลักการของเราเราต้องมีเป็นคนที่มีที่พึ่งไม่ใช่เป็นคนมีกําพร้าไม่ใช่เป็นคนกําพร้าแม้ไปเห็นใครก็ขอพึ่งไปหมดเลยเนี่ยนะก็ถ้าไปเจอที่พึ่งที่ดีก็ก็ดีไปเนี่ยนะถ้าไปเจอพึ่งที่ไม่ดีจะว่าไงก็บอกว่าจะเขามีคํารอเรียนอีกคำหนึง่ง oh, โอ้ก็พึ่งพระอยู่แล้วเนี่ยใช่พระเพลิงพระพายพระอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะถ้ามีตั้งหลายอย่างนะมีพระเพลิงพระพายพระอะไรพระเพลิงก็ไฟใช่ไหมพระพายก็ลม ไปพึ่งพระเหล่านั้นก็เสียหายแล้วละ่ะมันก็ต้องแยกแยะให้ดีว่าเราพึ่งพระรัตน์ตรยัยเมื่อเราพึ่งพระรัตน์ตรยัยสิ่งที่เราเจอเนี่ยพระรัตน์ตรัยของเราแนะนําว่าอย่างไรสอบสวนได้เนี่ยต้องตรวจสอบตัวเองได้หรือว่าเราอยากจะแบบเราแบบค น, คนงๆง่ายๆไม่จําเป็นต้องตรวจสอบเพราะถ้าของเราถูกหมดเลยแน่ใจขนาดนั้นเลยหรือทาถ้าขนาดนั้นก็จะแปลว่าแปลว่าไม่รอบคอบเลยเนี่ยนะไม่รอบคอบจะเสียใจในวันหลัง